อาจารวะเราะเสียงได้ยิน นะกระผมในแพทย์ธนวัตรผลบุญญรลักษ์จบแพทย์จากปุรารื่นที่21เวนนี้ชีวิตขาดเอ ท, ทให้ต้องเข้าวัดมาเป็นก็ประสบะการณ์ในชีวิตรเรื่องซึ่งพิศดารอะไรมากมายจนทั่งทีรื่อชีพแพทย์ไปนะฮวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพีเที่ได้มาเจอกับ ท, ทุกคน พวกเราที่นันอยู่เนี่ยลองดูาาหน้าติ้วตาแล้วก็เป็นนักปฏิบัติข้อตัว น, น, นะนะมีความสามารถนารถตัวงแล้วบางคนอะว่าปฏิบัติมาถึงนี้แล้วเนี่ยคนที่รับ่เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านเะมื่อเราัอย่างไปฏิบัติอย่างไรปฏิปทาอย่ ก, นะก่อนจะเริ่มผมจะ สิบบหออนุท่านเป็นเด็กน้อยก็มาผู้ธมะในการทำสมองอุ้มอุจจาก็อันนี้โนกาสอนุญาขออนุญาตก็ทำมนุษย์สิบเผยบันดาลให้ผู้เห็นพาได้ชแจงประจันกาสมงอุา นะโมเทสุโขทัยโตสมมาสมทัสสังนะโมเทวุโขทัยตสมมาสมุทัสสังะทุโขทัยโตสมมาสมุทัสสโมนเดราหะสมมาสมุทัโอตโรชฌาไดด้วยพระองค์เอง กางหุบโนโมนนแด่พระอาหันต์สะสมมาสมุดทีิจังโลกัสสโรชอบในดวงพระมมงโโโนองค์เองการหุบโนมแด่พระอรหัตสมมาสมุดที่จังโลกัสสโรชอบในดวงพระองค์เองดินอันมาทำอันสักศิลอันเป็นเบลูมาชีเน นำสัมผัสมันไปหลานแสดปิบัติพุทธธรรมนับเป็นสมาหาตรนาจุขึนเองผู้ทรงประกอบไปด้วยปุถุญาจิคุณนวิสุทธิจและปุถุพญาจิตเดนอนนี้ขอถือโอกาสนำทำบางแห่งี่แม้มันเป็นใหญรือความรู้เล็น้อยนี้ สิงในหากตกบกพรองผุดพ่าไม่ถูกต้องขอท่านรู้ได้โปรดอภัยในสหนรตหน่งคือเห็นพวกเราที่เป็นรักปฏิบาตณามีีใจว่าเราอยู่ในชุดของผู้เจาบริสั์ซี ชุดบริษัทก็คือคนของด้านศาสดาปิสุทธิ์พิสมิรุบาสอุบาศิาากาทีนี้เนี่ยถามว่าเราเนี่ยเป็นจุดสําคัญไหมอุบาสกอุบาสิกาหรือขึ้นทั้งหลา ย, น, ยนับว่าเป็นผู้มีความสําคัญในงานนี้เพราะเราจะต้องคอยดูแลบูตะดูแลตุบาอาจารย์หนละักแล้วก็ต้องปฏิบัติตอนเป็นกาลังช่วยทำดูแลพิศสนานะ ผู้ศรัทธาเนี่ยการสื่อผู้ศัทธาก็คือการปฏิบัติรกดความรู้แจ้งวามเ้าในะัจธรรมอารมศาสาั้นสองในิสัิสทัยนมัเมื่อเราก้ามาปฏิบัติจเห็นว่าผู้เข้ามาปฏิบัติเริ่มต้นจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความทุกขแล้วก็ต้องการหานทางที่จะกวุน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเป็นสั่งแรกเมื่ะได้มากคนเนี่ยทุกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่อ ง, ง, น, น, น, น, อ น, องน่ากลัวน่ากลาัวนานแต่ข้อคนลากาาการทองว่าทุกได้เป็นข้อปฏิบัติที่จ ะ, นนะทำเราพิจารณาให้เข้าใจเองปัจัยข้าใจผลและปัญหาผลการที่จะเดินก้าวสู่ที่สุดแห่งทุกไม่ได้พิก อ, อันที่สองก็คือ ผู้ที่มีชาติเดามีบุญเก่ามีสั้นสังง้นี้อยพอถึงเวลาก็มีเหตุปัจจัยทั้งพวกเราต้องเข้ามาปฏิบัติจเจอครูบาอาจารย์เจอตรยาคนนี้นะชี้ ช, ช่องนะได้ประสบกับสิ่งมาช่างในชีวิตจะเห็นว่าในโลกที่เราไดมองไม่เห็นนี้ก็มีอยู่นะแต่เมื่อไหร่เราจะมีความสามารถแต่ถ้าเรบผู้ที่ยังไม่ถึงระดับที่จะไปยังรู้อย่างนั้น การปฏิบัติขององศาจารยท่านอาจารย์แล้ววันเราอยู่ปัจจุบันบางคนยาสงสายก็รู้มาที่ใช้ใช้เวลาในการรู้นะท่า่าด้ทุกอย่างเป็นความปฏิบัติดูปฏิบัตรักษาปัจจุบันพิจารณาปัจจุบันท่านจะีให้พิจารณาทุกอย่างเป็นใจลัก พุกวันที่เรานั่งเนี่ยไปแล้วนี่ยพวกเราทุกคนเมื่อไหร่เราจ ะ, จะมองเนี่ยนะเื่อนีมันไม่ใช่ตัวเราในลูกที่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ลูกเราแต่ความลูกเราทำไงเราถึงจะปฏิบัติเป็นสุขังได้เป็นเรื่องยากแต่ไม่เหอวิสัยของทวกเราที่จะปฏิบัตินะในขั้นต้นของเราใ น, ในเราขานาะดเราไม่ได้เป็นมนุษย์ การปฏิบัติเราต้องเด้ทางศีลกรเวลาเป็นเบสิกไปจากการที่เราปฏิบัติเป็นทุกวันทุกบวงนีจิตนก็จะสงบเย็นอย่างน้อยที่สุดผลจากการสมาธิกางทำวิจิตรเมตตาลังก็จะมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญผู้ศรัทาเนี่ยสอนพิเศษกว่าศาสนา เรื an Recently, sagen, no igious, ่องของสมาธิมีอยู่ในทุกศาสนาแต่ผู้ศานาเนี่ยคือในเรื่องของสมถะในสมัยโบราณเรื่องสมถะเนี่ยมีการฝึกการปฏิบัติในทุกไอคอทุกการผู้ฝึกสำเร็จเนี่ยมันไม่มีปัญญาของเรื่องอนกาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ศึกษาเนี่ยพอมาในยุคของบุกหลังนาปฏขึ้นมาท่านเห็นว่า แค่สมถะเนี่ยไม่ใช่ทรรมหรอกเพราะมันยังเวียนวนเวีบุญสร้างมากก็เกิดในในเป็นเะมากขึ้นไปก็เป็นโพลนะแต่ถึงเวลาเราก็กลับรูปภัตฑใหม่การเรียนวนไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้พระพุทธศาสนาเน้่ยมีข้อปฏิบัติอันพิเศษที่จะหยุดพ้นจากวนเวียนวัฏฏะได้ก็ด้วยการบรรเจิดวิปัสสนา เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ทุกคนไม่ได้นาเราคนบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาสัจเป็นว่าพวกเราทุกวันเนียเรามาปฏิบัติถามว่าทำไมทำไมมองทุกขังงานอย่างอนัตตาเนี่ทํามมันไม่เเหมือนสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยสามวกขององศาศาล์ความอยากขององศาศาาทัดเดียหมเลา เนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นท่านครูบาอาจารย์ท่านแม่ครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยจเจริญด้วยสมบัตเจริญด้วยฌานสมบัติจเจริญในวิถีของสมถะเป็นเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับความชี้แนะจากองศาตราผู้ซึ่งมีอินทร์สีบาลมีแก่ท้าพิจารณาต่าง เ, เกิดการฝอยวางสละดคืออยาาา่างมหาศาล ข้าไปพบกับทำกันเองโดยง่ายแต่นี้พวกเราก็อยากได้ทฉพเพียงแต่ว่าตั้งหวนเดียวไม่เกินนะหวนแต่เราเอี่ยจะเป็นร้อยเป็นพันทําแล้วทําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกขอให้ทําเหตุเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทํำผลต้องจะเกิดมานะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติบางคนสงสัยว่าทํำไมปฏิบัติครูาอาจารย์ ม, มีไม่กี่คนที่ก้าวห น, น้าทำให้เราเไม่ก้าวหน้าเหมือนเขา่าตึงสัมฤทสำเนียกนื้อในใจ เ, <Yeah. S 1> ร, เรื่องว่า motivate to centering คำถามาสี่สิห้องใครจะฝึกแบบลายแล้วแต่ใจไม่ใช่จะฝึกได้เหมือนกันทุกคนแล้วอีกอันหนึ่งประการหนึ่งใครเป็นครูบาอาจารย์เราเคยยังขอส่งขอ พูดอะไรก็ฟังง่ายพูดอะไรก็รู้ปัญหาของเราที่แฉให้เราได้ฟังแล้วเกิดสิทธิ์นะเห็นแล้วเข้าใจง่ายแกล้งง่ายเข้าใจปฏิบัติได้ผลทันทีนั่นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเดินมาปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายอันกระเสริฐในชีวิตเนี่ยของพวกเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เป็นคราวาว่าเราจะทําเต็มที่เนี่ยก็ยัง เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จะทิ้งอะไรไปเป็นเรื่องยากแต่ขอให้ทำในสุดกำลังแล้วก็ในหน้าที่รับผิดชอบในชีวิตในสังคมก็ทำเธอทำไปนะแต่ผู้ใดหมุภาระเห็นทุกข์อันแท้จริงต้องการปฏิบัติให้ถึงที่สุดก็จงปฏิบัติให้เจรินการหน้าจนกระทั่งเห็นแจ้งในพระสัจธรรมนะอ่า ควาจริงวันนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยจเจก็นักปฏิบัติไปเก่งๆนนะเนก็ยินดีด้วยจะว่าขอให้ตังต้งใจตั้งใจปฏิบัติกันวันวนี้ขออนุญาตเป็นคุยกันเนาะใครอยากทราบอะไรที่ผมเคยได้ยนินได้ฟังจากพระูจะเาให้ฟะะอะไรที่ปฏิบัติแล้วประสบตัวเองจะอามา จแจ้งให้ฝราบนะองถามก็สักประมาณาที่เดือนที่แล้วตอนแรกิบัติกำลังกับกำลังเริ่มเริ่เริเ ร, เ ร, เ ร, เรแต่อยู่แล้วก็ติต๊กแล้วก็เสริมไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจถ้าเข้าใจจะเห็นการแสดงทาง ไม่ต้องการสิ่นวันนี้ดีวันนี้ดดีวันนี้ทำได้ว้ไม่ไม่งั้นจะคำว่าอันจังทุกรั้งนั้นจไม่คอมเมนต์ไมอันนี้ให้เห็นเลยไม่ละารปฏิบัติไม่ใช่ว่าวันนี้อยากให้เป็นนี้เป็นนั้นเป็นดัะนั้นหลอกก็จยอย่างเป็นว่าอวันนี้มันเป็นนี้เองเนาะวันนี้ทำไเป็นนี้มันตอยู่ในตัวเาไปเ็นตว่าเรามีหน้าที่ทำเปัจจัยแล้วก็ถ้าวันนี้มันไม่สงบ ส่วนมนุษย์นานๆหละเที่ยวมันตป็นส่วนมนเนี่ยมันไม่ได้ไปคิดอืมมันก็ช่วยให้เราแนถ้าฟุ้งซ่านมากๆบานนงคนะเอ๊ะว่านีเออ้เราฟุ้งซ่านเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีพื้นฐานของสมาธิเนี่ยการฟุ้งซ่านเนี่ยจเรื่องเป็นวิปัสนาลุเป็นการทํางานของวิปัสนานแต่นี้ขอให้พวกเราจักมาใช้ให้เป็นคือถ้าจิตสมงบ ก็อยู่กับความสงบจนนิ่งตัวจนถอนขึ้นมามันจะมีธํามับเหมือนกับเรานั่นลถไปรถกำลังเร่งเราจะมองข้างทางธรรมจิตมีกำลังเรื่องจับนิดหน่อยถ้าจะจอมองข้างทางจะเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนนั่นคือตัวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นธรรมชาติได้ชัดเจนวันไหนตัวปัญญาเราเริ่มเคลื่อนมันจะเห็นไปรับทิ่สแสดงให้ ดังนั้นก็เอ๊ะทำไมมันนี่มันไม่ได้ผ่อนมันนี่เอ๊ะทำไมมันไม่สงบแต่ถ้าเรามองกลับไปนี่เดี๋ยวเขาแสดงให้เราดูแล้วถ้าเสภาวัจจิที่เราตามดูต่ามนี้จะไหลจะไหลลงไปพักนี่แหละสาเหตุเขาดูพักตัวสติถ้ามันเข้มขึ้นมันก็จิงหยุดหลในบางครั้งเนี่ยดูวิเทียมวิเทียมมันก็ไม่ยอมกลับมันก็ยังไหลอยู่สาเหตุอะถ้าตอนนั้น ก็ดูกันไหลลงไปจะลงไปพักนิ่งนิ่งจนมีกำลังมันก็จะถอนตัวขึ้นมาแล้วลักษณะจริตของแต่ละคนนี่นะดันั้นเราไปดูในในบทส่วนของอินทรีย์สูตจะเห็นเจรณะสิบห้าเจรณะของบำรองศาสดาปฏิทาและวิธีการในการปฏิบัติตนของบำรุงศาสดาเพื่อเป็นตแจ้งทรรมจะเห็นว่จะมีทัหมดสิบห้าข้ออาจารย์ ส, สิงห์สวัสดีสิงห์สวัสดีนะโฉนเองวัตถุนิยตนาอนอาหารแต่พอควรทล้วพิพจารณาโยกนะมีศรัทธามีสติมีระยะมทันติ ม, ม, ม, มีมีอตปตะปะนะแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวผูสูงผู้ได้รับฟังสิ่งที่ถูกต้องรำมากและพิชานท่า น, นเป็นผู้ชํนานาญพิชานหนึ่งสองสามสี่เพราะเวลาเราไปชิญหน้ากับสภาวะของปัจจุบันนะค ร, รับบางครั้งเนี่ย ในช่วงที่กําลังเราพอเราจะยืนดูได้แต่นี้ถ้าเมื่อไหร่วันไหนเราไปเจอตมาหาเวทนาวันนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ถ้าเราใช้ไม่ครบกระบูรืรอวิชาญุไม่พอนม่สู้ไม่ได้เหมือนเห็นสิ่ร้อนมาเนี่ยเราวิ่งไปชนกับสิ่ร้อนตายทุกเมืองเพราะฉะนั้นฌานเนี่ยคือการพักเข้ามาหลบและไปยืนดูปัญญาหลบแบบไม่ได้หนี ทาหนึ่งสองสมสี่นะคือมาพัมีกําลังแล้วดูเพราะนั้น จ, จึงจำเป็นและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออสมาธิที่เราฝึกมาเนี่ยมันมีผลทําให้เราเกิดพลังมหาศาลมีกําลังเลยมากก็หายเยลยสังเกตง่ายๆวันไหนเราขับรถไปสักข้อห น, นึ่งวันนั่งสมาธิห ล, ลหหักทิ้งดิ่งเลยสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่นี้มีการวิธีการที่ดิ่งเราเนี่ยเป็นการขาดสติไม่ใช่ขอให้แท็กสติด้วย เราจะพักสิบห้านาทีนะหรือนะครึ่งชั่วโมงนะติดไม่ได้สามครั้เหมือนกับเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยสั่งว่าตื่นตะีห้าแล้สามเที่ยวอีกหนึ่งวินาทีเราเห็นจะตื่นขึ้นมกมันจะเป็ น, นยังไงนี่คือการฝึกสมองหรือจิตของเร า, าที่ยึกับคอมพิวเเพราะนั้นเวลาแตกคนะําสั่งอะไเนี้ยเพรถึงเวลาก็ทํางานไม่ให้เห็นไม้ชัดเจนเพราะฉะนั้นหมอป้าทำไปเพียงแต่ว่าช่วงไหนมันงสวงชาป่ะ จับคิดเพราะฉะนั้นเราเห็ น, นเวลาพระบุตใหม่พระแม่กูบารจะกุมอาจารย์ใชให้เราจับมันจับธรามาถานให้พิจารณาผมโอนและฟัน น, นะแต่นี้ถ้ามันคิดมากจับใช้งานหรือคิดเยอมันก็มีงานทําแล้วก็คิดอยู่เฉพาะในตัวมันไม่ได้ออกไปข้างนอกนะกระบวนการคิดยกขึ้นมาคิดวิตกพิจารณาให้โอนกลับไปกลับมาวิจารา นี่ตงพิจางังนิตงพิจงังทำไเรื่อยกระบวนการ ย, ย่ยื่อเิดปีตสุภะตาตางเกิดแต่สมาธิที่เกิดจากอันไข้ควรเนี่ยจะเป็นสัมมาสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาจิตสมุปภะมันจะวิ่งเพื่อขับไปที่เราหายใจมันจะนวิ่งเพื่อไปอะไมันจะป่ยนไปนอยู่ปานาปาอนาสติกเขาจะแสดงอะไรให้เรารูว่าเาจะเห็นเข้าไปปับ๊บลายดับสลัดคือเป็น อ, ออกเป็นการเสื่อมสลาชัดเจน การแปลตัวการดักการสลักคือแสดงไตรับษณ์ให้เราดูอันทีจังอเที่ยงทุกครั้งทนไปนานตันหายใจเข้าแล้วไม่ให้ออกอันไี้แหลแสดงกนแลตาแล้วจริงๆแล้วมรณะรู้สติความตายที่พระบรมศาสนาบอก่าให้ระลึกถึงทุกลมหยใจคืออันนี้เข้าไปนั่นคือการตายมันละเอียด อันนี้จากการสื่อสันติทำให้ต่อเนื่อเรามองในชีวิตเปไห น, นเพราะว่าตัวสมมติเนี่ยมันบังวิมุติอมันก็เลยเป็นหมอลนะไม่หมอทวัดแล้วเมื่อไหลาถ้าเรามองมาเรื่อยเรื่ อ, อยเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมันจะมีทุกข์แล้วก็จะให้พัฒนาพร้อมที่จะสู้ที่จะเดินออกเพื่อที่จะมยม่งไป Okay. ทําที่คุณพ่อบอกว่าตรงเนี้เป็นมีภูมิคื อ, อคือเดินเข้ามาในโองที่เนี่มีภูมิของสิ่งศัิ์สิทธิก็ยังโหมดนากาบเจ้าของ<ร>ก็องค์ศา่งมาสร้างเรียนเดือนบริบัติททำให้เขาโหมดธนาว่าพราะตรงนี้ถ้าพูกไม่มีธรรมใจอยู่ยากตอกได้เล็กนิดประสบภนาลุ่ไนไว้แ ล, แล้วการที่เรามาสวดมนต์บบนี่ <Okay. S 2> เขาได้อะไรครับ ก็เฉิญเข้ามาเขาโมทนาอย่างน้อยที่สุดเวลาเราฟังใช่ไหมภาวะตุศักดิ์กำลังการรักันตุศักดิ์เทวดาขอศัิ์รมงคนทั้งหลายจดเกิดขอเทวดาทั้งหลายจงมารักษาข้าด้วยเห็นเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สเราขอเาช่วยพูดง่ายใช้เทวดาอยู่ยแต่พอเราทำกุศลเนี่ยเราไม่เมตตาเขาไม่ถูกต้องเพราะนี่อจะสวดมนต์เชิญเาฟังเนาะเชิญก็มอฟังพระนั้นครูบาอาจารย์จะชุนดุเทวดา จะธรรมดเย็นวันนี้ก็เลยบองอาเชอร์นั่นาันะเขาจะได้โมทนาแล้วว่าเห็นว่าพวกเราเนี่ยยังอยู่ในสมาธิจิตเรายังปฏิบัติได้อยู่เป็นเรื่องขึ้นดะีงามนะเพราะจริงๆธรรมบาลผู้รักษาศาสนาที่ได้ส ย, ยามตนต่อหน้าขอ้อมูลศาสนาในในคำภีโบราณนนเนี่ยจัดเลืกเอาไว้ ว, นะว่ามีิเศ6ท่านได้24ทานนะว่าจานทร์นี้เป็น สัจเจ้าผู้ปัตนะผู้ควนคต่อไปแต่ว่าระหว่างที่ดำเนินภูมิก็ดูแลพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาพคนท่าสันคงแล้วก็ดูแลพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติหให้ได้รับความสุขความสงบความเย็นความสงบสบายึ้วยกนมนาด้วยกนะอย่างเช่นใครมัางที่เป็นธรรมบานแม่ชน เ, เ, เนี่ยนะตกอ์บาลทั้งี่นะสกัเทวราช น, ะนาทิพอะไรพวกนี้ อย่างนี้ว่าอพอมาพูดถึงเรื่องละเอยียดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเข้าใจยากนอกจากใครจะเจอแล้วก็สัมพันธ์ในเรื่ตัวเองอย่างนี้มันเป็นแับปัจจุบันไปพูดให้ใครก็เป็นเรื่องลำบากนอกจากคนที่รู้อยู่ด้วยกันไม่ต้องพูดจากคน อ, อ่นผมเป็นหมอก็เลยเสียสู่ไปต้องปิดที่นี่สมัยเพืนที่นึงคนใด ท, ที่ยังมีคนไข้กัน มีคนไข้พิเศษนี่ยคืออาไม้ทุเทียนไปนั่งรอเต็มจริเเ น, นเตอนนั้นลูกสาวเป็นจิตกับแพทย์ลูกชายเป็นจิตกับแพทย์ก็เลยบอกพ้อเล่น้อยหน่อยๆๆไป่น้อยุดตัดสิกใปิดคือนึกไม่ถึงว่าชีวิตผมมันจะพิสถารคือสมัยเป็นสักเรียนแทย์ไม่ได้ใสนใจแต่พอจบนั้นเนี่ยมัน จริงๆแต่เดิ น, นี่ยเป็นคนไม่ค่อยเรียร้อยพูดง่ายๆว่ามไม่เรียบร้อยอเกลียดนะแล้วก็ผ่านสงครามมาทุกรูปแบบจกนกระทั่งอย่างเราอ๋อมันชั่วน้อเป็นคนที่จะทำอะไรมันเร็วนะเราทำไปได้ยังไงถ้าออกมาหน้นที่นำเกิดมาทำไมมีชีวิตื่ออะไรตอนจบไม่ไหวปี้น เราเป็นใครมาจากใครมาทำไมเกิดเพื่ออะไรตายแล้วยังมีจริงหรอป่าชีวิตเราเป็นแค่เนี้ยะกินอยู่หลับนอนเพื่อนี้เอนจะสังเพนตายแล้วอะไรไปไม่ได้สักอย่างเริ่มเริเริ่มเลี่ยนมออกนะแล้วิคิดไม่เหมือนชาบ้านครับก็เพิ่เหมือนกับอรรมะจัดสรรทำให้ได้ไป ประสบกับเรื่องบางอย่างซึ่งคนธรรมดาทั่วไปเขอไม่เห็นต้องเดินเข้านเข้าไปหาศัจธรรมแล้วก็เินโชคดีเจอพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์ผมก็คือท่านอาจารย์ชื่อชมิโกท่านเป็นมือฝ่าองท่านเปน็แต่เจอท่านเนี่ยท่านเมตตาสอนสอนตัวกระตูตดเป็นดีแล้วก็เนี่ยกอยกระตุ้นเตือนให้เราปฏิบัติจบมาในมหมก็ใหม่ๆหมก็ รรแล้วก็ท่านยู่ตาธรรมดาท่านทำไมคิดอะไอย่างนี้ท่ารู้แบบว่ามวิชาอะไรทาอะไรว่าที่ถูกต้องท่านลงมาจากเขาท่านมาชีนา้น้อย่าก็เลยซิโลลาไปปฏิบททัติธรรมจนกระทั่งบางวันไม่ได้กลับบ้านผลสุดก็เลยต้องหาไปบ้านท้าวัดด้วยคนพอตอนไปกลับบ้านอย่างประวัติเดิมซึ่งมันดีมันหมดแล้วเนี่ยเขาเลยไม่ได้ไวาจากนะคร เ, เป็นที่ไม่ไวาว่า ให่ก็เลยต้องพาคุณผู้หญิงเข้าไปปฏิบัติด้วยแต่มเรื่องมาอาจารย์คุผู้หิงเกี่ยวกับการเงินสิทธิ์ไองฟิลก็ผมสู้ไม่ได้แต่นี้เขาละไปนะก่นนอนก็ได้ได้พบเห็นได้เห็ในบมูกผู้ปฏิบัติใครมีปัญหาอะไรอยู่อาจารย์ต้สอนแก้นะแล้วก็ลึดไม่ถึงว่าตัวเองจะต้องพิจารณาแล้วจึงกระทั่งต้องปิดคลินิก แต่ว่าหลวงพ่อนะท่านบอกเอไว้ก็บต้องห์กองว่าต้อไปหมอทวัตเขาจะพิจารณาแต่โรคนะเพราะว่าตอนเปิดคลินนะิกนี่ยโรงพยาบาส่งเจ้าหนที่มาตรวจสอบว่าหมอเรียนหรือเปล่าด้วนตำนานสิ่งที่หมอไม่เหียนเราเรียนภาษาเราไม่เชื่อถ้าวนการแรกนะ จากคามไม่เชื่อเข้าไปสัมผัสกับเรื่องกงโกงหลมมมมมมมมุดลุ่อผมก็เลยท้าท่านถ้าจริงแสดงอะไรให้ดูหน่อยว่าเราเยนแพทย์มาก็าเลยล็อกยาวยอมยอมถวายท่านคือนั่งกรรมาฐานมาหลายปีแล้วเสร็จแล้วทำไมตัวเราม่แตกต่างสำเพียนรึเปทําทำไมตัวเร า, าเหมือนกับเป็นาลนานเข้ามาอยู่มันก็ไม่ใช่เร า, าบางครัง้งเหมือนไม่ใช่เรา ก็เลยสงสัยในวันหนึ่งมันรู้ว่าเอ๊ะที่ท า, งงานนั้นนีมันคือของเส็ในของกูกเลยยืนท้าท่านแถบหน้าลู้บอกท่านแสดงถ้าจริงแสดงไาให้ดูหน่อยถ้าจะไม่งั้นมันไม่ยอมไม่ยอมครัพอท้าเสร็จก็เดินอกอกจากบ้านไปก็หมุนรถตลอดทางกลับมายกมือว่ายอมแล้วพอแนแรเข้าขบ้านมันหมุนรถไปอยู่แล้มันคขาไม่ได้รู้แต่ว่าทาอะไรไม่ได้ นะแต่เพีย ว, ว่าตันเปิดคีกใหม่ๆตอนนั้นพอบอกท่านบอกครูบาอาจารย์ทุกคนท่านมนเป็นที่นงนีดีครับว่าโง่หรือปู่สุกนะเสร็จในกรมนนะของท่าเยะคนท่านเป็นทนขอไปขอมามีอยู่ันยืนหัลยืนหัลอยฝั่งนีก็ได้ยิ น, นุ่นบ้านกํนลาลังล้างจานลิ้งจานตุ้มพ่อไปโรงบาบามันะเสร็จแล้วก็เล้ ยังไมบ้ามันแปลกๆให้อยู่มานานเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคนไข้เข้ามาเนฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ต้องกินยาบางทีก็ไปเป่าหัวเขาแต่คนไข้มันายแนี่ที่สมุดประการครับว่าเลยบรีระบุเจ็บป่วยอย่าไปหาหมอวัดหน้ารับผิดชอบถของให้ไปหาการเป็นอย่างนั้นไป แล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วช่วงนั้นก็มีช่วงนึ่งเจอหน้าผ้าเดินมาอยากบอกเนี่ยวไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็เป็นนะแต่ว่าภาวะจิตบางอย่างทำให้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในชุด น, น, นั้นได้ขอเอาแค่นี้ก็เลยนะ <c oughs> แต่ว่าทรตรียมปฏิบัติแบบปูบาจา ร, รย์ให้ทำเรื่องการปฏิบัติ ใยการทำกิจถวายพระองค์ศาสนาทำถวายศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่อย่างไรที่จะช่วยดูแลศาสนาให้ยั่งยีได้พ่อครับในบทสวนที่เราลองลองอ่านทาแปลมีให้เสร็จัมีให้เสร็จก็ด้วยอำนาผู้ทาคุณตามวามศรัทคุณแล้วเป็นสัมาทิฏฐิเนี่ยเป็นสมาทิฏฐินะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะที่ท่านสอนเนี่ยด้วยอำนาจของสิ่สัตว์สิทธิ์แล้วเนี่ย ทำให้เราเนี่ยรอดพ้นได้แต่ถ้ามันถึงวลาทก่จะต้องไปคติที่จะนำไปก็เป็นสุขตนะิมันไม่ไปสบายนะไม่ใช่ส่วนนี้ไม่ตายถ้าคนจะตายยังไงก็ต้องตายแต่คือแว่าเรามีสุขติเป็นที่ตายนะแต่เหมือนบทที่ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรพวกนี้ก็คือการตั้งโตตั้งจิตให้เป็นสัมมาธิิฐิ ตั้งจิตให้เป็นสมาธิฏฐินั่นก็คือพลังแลวแผ่เอาไปใช่เพราะทุกวันเนี้ยการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลเนี่ยเกิดจากพลังงานในตัวของบรรดาทุกคนผู้ซึ่งไม่รักษาสิีลไม่มีสิลไม่มีธรรมพลังงานของฟ้านั่วระน้นมันร่เป็นจกักรวาลบ้านหนึ่งวุ่นวายแต่เมื่อไร่ตรงไหนเนี่ยมีสมาธิฏฐิเพพลังงานมีน้ำมั ง, งานเนย็นเพราะว่าอย่างที่ขงมณ์สวดไปเนี่ยโบราณใ น, นคำดีโบราณนะบอกว่าเลยแม้ข้างสัตว์จะตายไม่ยอมาตายนะครับ ไปตายอยู่มากินอะไรอยู่ในนี้สุขาภาพแข็งแรงนะเสื้อเสื้อควางไม่ไม่ทำร้ายกันการ บ, บินนะครนะแบบนี้ถ้าเราไม่รู้บทสวดหรือว่าไม่มีเวลาสวดเราเร า, เราตั้งจิตในสิ่งที่เราคื อ, ค, อคือการทำเนี่ยห ร, รอทำด้ใจได้แต่นี่ไ่า้ภาพ ค, คือกายส่วนคือวาจาใจมันคร บ, ครบสามแท็กเตอร์เฟอร์เฟค จะแรกคนกลับมันมาจะอินเดียก็ก็ยังสง่งติสงใจอยู่เดีย๋ยวจะเจอข้อหาว่าออไปนั่นมาแล้วก็ไม่รักษาส่วนรวมที่บอเิเลยมันไม่ใช่แอดเอดียที่มีการกระบาดของโรคนะแล้วก็กลับมาเกิดเกิด ก, กันสองประเทศก็ขอขงโมธนาบุษที่จะไปอินเดียมาให้ทุกคนนะพนะอมีเรื่องเล่าอนะไรคือไปอินเดียนะตอนแรกก็ อใจมันอยากไปคิดถึงพุทยาไม่ได้พอคิดถึงพัทยาปะ่ะสัง่งให้ลูกสาวซื้อตุ๊คุณลูกสาวก็บอกงานการก็ไม่ทําำไปเที่ยวโดวยนะะัก mm hmm. เพราะเพราะมีจิตแพทย์ประจำตัวอ ย, อยู่แล้วก็คอยจัดระเบียบจิตที่มาจัดกาเป็นเรื่องแต่เราคิดจะไปทุกศิษีคนก็นกนบอกว่า นี่ศูนย์มาสิกว่า ป, ปีอยู่ๆก็มาใช้ถวายมเลยนะน mm ั่นเป็นการตั้งดินและทัศน์กลังเกดทัศนาแต่เสร็ล้พอใกล้ๆจะไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอาผ้าคนป่วยไปไปสวนที่ะมรที่ขคนโพนะ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วสายตั้งใจจะเอารูปเจ้านายในในจะไปรวงไปประยุเพราะนั้นเลยถ้าเร า, เาูกไปตั้งใจอย่นมุ่งหวายเอางี้การไปตั้งใจสวดถวายแล้วกันนะ พอใกล้ๆจะไปถ้าได้ยีกขาวตุลาหม่งแรกเสร็ออกไปก็วันแรกก็ไปสวนอวันที่สองตารังารสวดอยู่กลางช่วงช่วงสวนเสร็จก็เดินว่เให้วันนี้ท่านมันมีคมแดงให้เราไปดวลแดงด้ือวันไม่้มีคมแดงปูเต็นนะก็ไปเดินไดแล้วก็ล้อเร่งพันลึสิวันนี้ดีนกมามีมแดงเยะเสร็จแล้วก็พอสวนจบก็เข้าไปนั่งใกล้โดนตารวจแข็จับเกซิบดม้ว ไม่ไมีอะไร น, นนระงจทรงพัะเจริญโอ้วหมอในคุข้าตอนที่สุดที่พระองค์ถวายานน่นเพราะเมื่อก่อนครูบาอาจารย์หลวงปู่เนี่ยผมไปส่ดนห น, นึ่งพริกจมูกตนนี้ดอยาแนเยเมื่อก่อนท่านจะมีคู่อยู่ในซีอูมาลุน้นท่านไปแล้วไปส่ดที่องคปองเพราะนั้นหมอนักไปด้วยปรากว่าสิบห้าคนนั้นสว่วนข้างๆมีเรียดนาร้อยคนใช้ในองครกอ สิบห้าคนสวประพจนของไปพวกคนรมีคนชอบมันหยุดสดวดน้ามันสูงพอพอเขอ้าฟังเราสุดรู้่ะอาจารย์่กลับมาทันอาจารย์ครนเป็นทุกวันนี้เลยเป็ น, นเป็นเรื่องมาสิจัน LIKE. ขอขอให้ปฏิบัติที่มากแล้วก็เมื่อไรปัจจุบังเกิดเนี่ยความสนสจ ม, มันลดไปผมไม่มีความ ส, มสในใจก็อยากที่เป็นคนเกเรเป็นคนดื้ บางคนวาว่าเอ๊ทำไมท้าแล้วไม่เจออะไรมันคงอาจจะไม่มีกรรมอะไรสัอยแต่บังเอิผมท้าแล้วผมเจอก็เลยยอมมีใครัวกชที่มันเสือมันกก็คือตอ้มีตเ่ลาเข้าใจคำว่าฟุ้งส่านไหอ่ะพอมันฟุ่งแล้วมันไปให้ดู ดูการปรุ่ความจริงมันเนไงต้นเกิดเป็นแบเรื่องนี้จบขึ้นขึ้นมาจบขึ้นขึ้นมาแ่การทำงานมันไหลแล้วก็สแสดงไปมาท่เพราะฉะนั้นเวลาไหลเนี่ยในกรณีที่เรามีสติเข้มมันจะหยุดไหลด้วยอํานาจของสติแต่ถ้ามันไม่หยุดไหลพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ด้วยอํานาจของปัญญาตอนนี้มันจะม้วนกลับและมันจะหยุดอีกทหยุดด้วยอํานาจของปัญญานะขอให้ใช้ความยา ให้นองลายเที่ยวแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมานาั้นมันก็คือติจารณิจารณ์กระบวนการของปิิตรศิลมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเที่ยวนี้จะเป็นสัมมาสมาธิสงสัยสงสัยมาถามมาลองสงสัยเรื่อยๆ่อรลยนอืม บุญเปนใครบุคคนใครทำกันมาทุกอย่างมีเห็นปัจจัยนะั่เพราะฉะนั้นวันนี้เขาเรีว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาปัญญาทำให้เราบางวันหะนักสิ่งทั้งหลายในโลกสิ่งเหลอะนู่นมีอยู่เย่งได้เมื่อไหร่เรามีความสมามารถเราจะเข้าไปสัมผัสได้นะัเราไปรู้เราไปเห็นทำให มีความระอายมีความเกงรงกลัวต่งางๆเป็นที่ตั้ง ต, ตั้งใจ ป, ป, ปฏิบัติผู้ที่ล่วงลับไปทั้งหลายที่มีหนะ้าที่ดูแลศาสนาดูแลบ้านเมืองก็ยังต้องทำหน้าที่อยู่นะเพราะฉะนั้นในบ้านเมืองเราเราทวาธิราชจ ะ, จะเป็นทั้งหลายก็ยังดูแลเนะักสามประเทศนะ ถึงเวลาไม่ได้เจอไม่เห็นจะบางครั้งนคนเราอยาสนใจนี่นคือยะไรขอให้ปฏิบัติไปนะสัมผัสได้ด้วยใจเมไื่อไรค่อยเชื่อค่อยเข้าใจถ้ายังสัมผัสด้วยใจไม่ไรห้ามการเชื่อถือเป็นการโน้มนาให้สัมผัต้องมีปัญญาควบแล้วพอรู้สัมผัสใจ้ยาน้งไปอย่างรู้เป็นการตั ง, งนั่นคือความรู้ที่จะเกิดขึ้นมาน เพราะฉะนั้นกอให้ตั้งใจปฏิบัติเราตัวปัญญาชนันเดินถ้าเราไม่เข้าใจนะความฟุ้งซ่านจริงๆแล้วก็คือวิปัสนาวิธีพลิกให้เป็นก็จะเป็นประโยชน์พลิกไม่เป็นฟุ้งซ่านแทนจะเป็นหมอจ่จะแวกจิตจัการะชนุนไขว่แทนนะคนั โดนจิตแพทยคมอที่บ้านสองคนวันทีลูกเป็ิตแพทย์อย่สองคนใช่ป่ะวันทีราบอกขัยังไม่สูงไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องให้ให้บอกปฏิบัติบางปฏิบัติก็วันีถือว่าเป็นโอกาสพิแสนเพราะตั้งาไม่เคยไม่เคยมาบรรยายเลย แต่ว่าดีในทีมเราเนี่ยมีผู้ดูแลซึ่งเป็นนักปฏิบัติซึ่งมีทีมผู้หญิงไี้มีบิัในการปฏิบัติเป็นกระตับอาจารย์ที่จะมันค้สอสมคว้าพวกเธอได้นะอย่าไปมองข้ามนะับเข้าตัวรอดนะแน้วเราเป็นที่พึ่งในพวกเธอได้ เริ่มทำในวันนี้เดีวนี้นะที่จะรอดได้แก่ไหนอยู่ที่เราทำอยู่ที่ใจปฏิบัติอยู่ที่ใจเกิดเกที่ใจผลเกิดที่ใจใจของแร่ละบุคคลฝึกจงกระทั่งในหัว ใ, ใจใจนใจตั้งเมื่อไหร่ที่นั่งดูเรเนี่ยมันจะสลายไปอัตตาตัวตนหมดความได้จบหลักสูตรเลิกเกิดเลิกตายไม่อย่างนั้น ไม่รู้จากคําว่าทุกเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องทุกเรื่องอะไรน้ําตาไหลเสียใจร้อ้มองเลยเป็นเรื่องดีไปเขามาสอนก็มาแสดงทำให้เราดูนะครูบาอาจารย์นีตดูเรากายะชนะทั้งหกแสดงให้ดูตลอดเวลาแสดงใจรักให้ดูเพราะฉะนั้นตั้งใจปฏิบัติตั้งใจดูค้นคว้ามีความเพียรนะเพราะฉะนั้นจะแข็งมั่งแป มาแปดเป็นหนึ่งเท<ม>่า น, นั้นในกลุ่มก่อนทำเพื่อความสําเร็จสู่บรรลุกูิธรรมมีทั้ทงหมด37ประการโพธิปักจัยธรรมต้องมารวมกันให้หมดนะไปลงลักแปดให้รวมอยู่ในโพธิปักยธรรมนะเริ่ตอต้นตั้งแต่สติปัฏฐานสี่นะตั้ปอภิานสและัิทิบาทสี่เปนสี่ห้า<ม>ประลา<ม>เรามีครบไหม โคชงเจ็ดแล้วก็มักแปะรวมกันแล้ว37มสิบระคันไม่ใช่แค่ตรงนั้นเพราะนั้นเพียนเนี่ยที่เราว่าเพียนมันพอไหมมากพอแล้วยังเนี่มันซ่อนมันอยู่ซ่อนมัอยซ่อนเพียนแล้วเพียนอีกเพราะฉะนั้นในจังกระสังวินสีบาลเราแจ้งการไม่เหลือวิสัยถึงจะเป็นเหลือย่างนั้น อยา่างนั้นไม่ไหวจะเห็นธรรมธรรมสุขธรรมมันตั้งอยู่ที่นี่แต่เรามีก็ใจก็เข้าใจนั่น ก, ก็แสดงในดูความสงสัยในธรรมมันก็มีธรรมดูการเกิดดับทัรมในคนโตเปลี่ยนมาเปนยังไงจนทุกวันเห็นไหมถึงที่สุด ตายเขาแสดงให้ดูแต่เราไม่ได้ทํไปดูนะใจก็เหมือนกันตอนนี้บอกไห้โกนมึงโกไนไปแล่เย็บโกนห้ามมึงไอยูจะหยุดก็หยุดเองคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลานั่นคือการแสดงของใจเห็นมันการเกิดจันความไม่เทียวธรรมะแสดงนใหน้ดู เป็นวนันอันตราวันนี้กลับไปดูให้เข้าใจะนะเพียงจะวา่าย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมันจะเกิดปฏิยานะเมื่อถึงรอบอินทรียบารมีแก่กานจะเกิดสมัมมาวรรุ่มอ้เห็นอุนะึนนของเดิมมีไม่เห็นหนอยเพียงจะวา่าเราเนี่ยย้ำในหัวใจ แอ่ก้าะมาขนาดนี้นี่คือมีของเดิเมเห็นเมื่เดี๋ยวนี้คนสนใจมีแค่ไหน ม, มีน้อยเราถือว่าอยู่ในแถวหน้าที่ะมา่าคนณค่าบัวควาเป็นเรื่องกัรเสรว่าความถูกต้องความมีนามของชีวิตอยากจะสใจว่าไอ้สิ่งที่นั่งทางนามันคืออะไร พูดไปจนถึงวันหนึ่งเนี่ยพอใจแต่ยั่นั่งเนี่ยมันไม่รู้ว่าคืออะไรรู้ว่ามันไม่รู้คืออะไรนะสมมติทางนั้นจนกระมมทั่งเพิ่มสมมติเราเห็นไม่หมดอยู่ด้วยกันแต่พี่เรายัา ง, อยางอยู่ใช้ตามสมควรแต่กันนะ ไอ้ความสงสัยนี่แบบขอให้เลิกงานแล้วก็เพิ่มเวลาสวดมนต์เลยไม่งั้นออกไซต์ออก่านสวดมนต์ก็ขาดที่มือคือทำให้พบกายวาจาใจวันพระเสด็จส่วนมนต์เสด็จพรจ่ายก่อนาตอนนันจิตมันจะได้มันเหมือนกับเป็นการบอเพื่ คือถามว่าเลยไมจริงๆเราเป็นคนสามารถพลังงานได้แต่เราไม่จะเปลิย่ยไม่เป็นนะเวลาอยู่ใกล้จะรู้สึกนะเวลาสองอะไรไปที่ถูกต้องจะมีปัญยาตัวรับึเป็นปัญญาที่มีชวบแบบวพวกนี้คืถูกต้องพิ่งเกนะิ า, าไนะถ้าไม่ถูกต้องปัยาไ่กิคื อ, นะคอแต่นีความที่เธอม่จะเปไม่เป็นแลาข้วขอ้อมูลมาใ ตอนนี่มาจะเกมของมันอย่างนี้ฮมันอย่างนี้จก็้ก็าเลกนถนา็นคือคืออย่างนี้ตอนถอนอารมณ์เนี่ยคือถ้าเราอยากถอนเนี่ยนะีมันก็เหนื่อยแต่ที่ถ้ามันอยู่บางครั้งแม้จากในสมาธิเนี่ยถ้าหนูฝึกเจริญวัสีห้า พอหนูเข้าไปน่ะจิตมันจะนิ่งมันถอนไม่ออกมันไม่ลอมตินมาจิตมาหลาังติดกับนะแล้วต่เนี้แต่มันสูบเรืองเกินสูงอยากปฏิบัติแต่เนี้ว่าพอถึงเรลาว่าเอ๊ะทำไมมันจะ่เข้ามานะทนี้เวลามันจะลงไปพอจิตจะเริ่มลงลนตั้งแตกไปขอสิบห้านะทีนะสามเที่ยวคือการตั้งสติเป็นคำสั่งลงไปในเครื่อ ง, องเรา พอถึงเวลาสีห้านาทีมันจะนหนุนตัวลอยขึ้าเมือถเวลาจะตื่นนอนเช้าตืา่นตีห้านะฉากเที่ยวก่อนจะนอ น, อ น, อนอจะมีปฏิยานี้เกิดขึ้นนี่คือการแท็กสติแต่ว่ายอ็งทั้งนั้นเราช่วงเราที่เรานอนหลับเนี่ยเราก็ไว้สติไม่ใช่ถ้าเราสั่ง ม, ม, งมนนันีเนขึ้นคือการมีสติแต่ที่ตอนนั้นมันิดเครื่องแถมไม่มีสติแต่ก็ไดบางคนเนี่ยทิ้งจนกระทั่งเนี่ยหามทิ้งตรงไหนไม่รู้เพื่นไม่เคยเห็นประเณ ท, ทิ้งตรงไหน ไม่ยเรื media, ่องเนี่ยเคยเคยเจอเจอยน่คนใกล้ตัวดูหนังสือก็ดูจนหมดทำไมเช้ามามันจำไม่คได้ถาเนี่ยอนนอนไม่หลับยังไงโอนึกหลับมันหลับเลยอือเช้ามันสั่งปุกทุกวันที่ได้สั่งควาไม่สั่งตำรมันเกิดปฏิญาณมันจะไม่ยอมถอปรากฏว่าคนที่รู้จักรายเนี้ยสั่งหลั ไอ้คนจะเข้าห้องนอนเนี่ยให้ได้อยู่ในห้องต้องนอนนอกห้องเข้าไม่ได้เรียกยังไงก็ไม่ตื่นพลัดหยางเกิดให้นแต่นี้ว่าถ้าเราเจริญว่าสี่ห้าจำมาในการเข้าไปสมมติก็เข้าไปไปออกมาครูบาอาจารย์ท่านะสอนนะ่าอาจารย์หลว่อท่านสอนให้เจริญว่าสี่ห้าเนะเข้าไปออกมาออกมาเข้าไปจำมาในการเข้าหนึ่งตั้งอยู่สองจำมาในการออกมาสาม ข้าวข้าวออกออกข้าเข้านุโลปฏิโลซ4อันที่ห้าพิจารณาสมาวะของสมาธิก็เป็นตังละเป็นอันที่ห้านะก็รู้ทอย่างนี้ปั๊มันจะเปลี่ยนแต่ถ้าอย่างนี้ไม่หายหรือว่ายังไม่ชำนาญก่อนจะนั่งน้ำสามสี่แก้วมูนทานเลยเดี๋ยวรู้ไดยมันจะอยู่ไหมไปลองเลย ทานน้ำแล้วขันเขื่อนๆไหนะไอ้ที่มันลงไปนิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันโดดออกมาได้มีตัวพานี่คือวิธีที่ปฏิบัติกับตัวเองเมื่อก่อนก็เป็นแบบพอทานน้ำไปขันใหญ่ๆมันปวดชีม่มันดึงขึ้นมาเลยมันเป็นแข้งทุ่เศษมันก็งั้แต่เราเราใช้วิธีการอะไร แ, แต่ของหนูก็ข้างนั่งแล้วเป็นขอเปลี่ยนเป็นเดิน จิตมันจะรวมยากกว่าเดิมจะรวมันหนักแน่นกว่านั้นน ะ, น, นะก่อนเดินด เ, น, เใ น, ใ น, ใ น, ในีย่ยก่อนเรามีหน้าที่ดูก่อนดูมันเป็นธรรมชาติไม่ใค ร, ร, ม, า ร, รมากกคือจริงจ ร, ริรรงแล้วเนี่ยพอรู้เนี่ยเหมือนรู้ตะเก็นนะรู้ไปสองกันจบ มันจะยิ้มนักแล้วหนูไปดูดูว่าไมันจะยิ้นักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นถ้าตัวสติมันทันเนี่ยตัวกดมันถูกตัดความว่างที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องหาของสิสองทำหน้าสมาธิแต่เมื่อเรามีสติตัดพอรวมเป็นผู้รับเกิดสมาธิตั้งมันมตัดเฉรื่องาอสติอันที่สามถ้าสติทําให้เกิดสมาธิไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาขึ้ พิจารณาดูทุกดูโทษของความโกงประเดียวเียมันจะเป็นการย้อนกลับมารักษาสภาวะให้เกิดความว่าขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาคือให้ช่างอุจเพราะนั้นบางคนเจอไม่เหมือนกันบางคนทำหน้ากอดตักงไมหลีกข้าเลยที่เจออยู่คนกดึงไปไหนตึ้ง้งนั่งเนยเช้า หรือตามมาแล้วหมอจะฉีดยาเราไปไหนทำอะไรก็ทำให้เรื่อยบอกแก้นะนะนั่งตาปืนอย่างนี้ทั้งวันที่สุดค่อยๆสอนค่อยแก้มันเข้าไปลงในวิสันจิตคือถ้าใช้เป็นทุกอย่างไปดูแล้วก็เอามาทั้ฝ่ายได้เลย ชีวิตรรว ป, รรรประจำวันอะไรอะไรตันนี้เราจะสอนว่าการละตัณหาทานคือตัณหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตัวที่นั่งอยู่ในทุกคนถ้ายังไม่บรรลุปล่อยวางและยืนคงทีงมม่มันมีอยู่ติดประจำ ไอโ้จิตโพลเนี่ยมันมาเพราะมันมีอวิชานะเราทุกวันที่เราปฏิบัติกัาพิจงงาราเรื่องจะลอกเลือ่อนออกนะหลุดไปเรื่อยๆนั่นนืยอยืนหรือนตั้ตอ ง, งอยู่ทุกวันลแต่นี่ต้องการนผมว่าทำไมทุกวันมัเกิดที่มนุ้มัดดให้อาจารย์ลก น, นะทาเหตุแล้ผลจะได้เหตุเอายังไม่องนะนะเพราะฉะนั้นเนถึงบอกในสมัยพุทธกาลเนี่ย พ่อแม่ครูอาจารย์จะรู้ชำนาญชาญสงรบัตจชดินไม่ออกขึ้นเขานะเพราะฉะนั้นพระองค์ศาสดาในเทศโปรดที่ทยขนานยาศีษะท่านโปรดชดินทันสารูปบรรุอราันร้อมกันนะเพราะว่าตรงนี้นชานาญอินทรามีแก่กท่าแล้วพอพระอุค์ศาสดาที่เนี่ยน่้กระสิงไฟ แสดงทิศยะสูงให้ฟังที่เจอมาเป็นทางมว่ากอหลังตึ้งรูแต่นี่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยึง ไ, ได้ดว่าฝึกไปแต่ว่าใมกระทั้งชานในการฝึกนีก็จำเป็นต้องฝึแต่ต้องใช้ที่เป็นแล้วรู้ว่าเมื่อไรใช้ไม่ใช่ไปนอนแช่อยู่ในฌานนะวันวนี้มื่อไรเนี่ยต้องจอดเครื่องเติม น, น, น, น, น้ำมันนั้นเจอโรานัน เ, นเือเก การกาษานนะนะก็เลยบอกว่าบองแค่งงนี้จอดขึ้นแตนประมาณนั้นไม่มนะีนะออารายหาเติ่มการอากาศเหนื่อยกับไม่เหนื่ อ, อยจะได้เป็นตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรียนฌานหนึ่งจาเป็นถ้ามีฌานสมาบัติมันกาชาในตอมที่ลรางเห น, นื่นนะเจอตามาลีก็คุัน คือหมออาจจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพ่อเดชตรงนะแต่เป็นลูกศิษย์สุทเจ้าเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ภูมาจารย์อาจท่านเหมือนกันฟังรู้ทุกอย่างเสร็จแล้วลงรูปลอยรันเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังของภูมาจารแล้วก็ของาจารย์จะปฏิบัติแปลว่าบางทีเราไปเดินตรงนี้เนี่ยบางคนไปเร็วคือ้องเคลือเพาะส่งพอมาบางคนก็เร็วมากไปดูเพื่อนตั้งอย่างหมอนัดเนี่ย ฌานสมาบัติเียบนะบาลีเนี่ยเพียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิอก็ถูนะัดเห็นาโลที่จะเกล่ยนบๆๆๆ้างหลือาะเล้วนี่คือความรู้ารณาแต่เนี่พอถึเวลาพัดมันมันจะกระจายนะของเก่าตือเราพูดคนเนี่ยนะเพรานในที่เนี่ย ขอขอขอมาด้านตรงเกิดใ้สมัยพุทกาลแทบทุกคนว่าได้มีโอกาสปฏิบัติอย่นี้นะในพุทธกาลเนี่ยถ้าไอ้พวชาติที่มันวนเวียนพวกวานนตั้งใจในความรักปัจโยเหาถูกนะก็เกิดใหม่ซึ่งมือไปก่อวีระตังวิรเวรถ้าไปตามใช่กนดีนะเมื่อไหร่เห็นแล้วโอ้มันกันเนาะกันเห็นบาคนจะเจอหน้าร้อง่ายกอก้าน เจอหน้าจริงๆยนรองพรให้ก่อนขยูจกกลับบ้านแต่เราไปนั่งร้องให้กคิดถึงจังแล้วเจอหน้าก็สวดของนาเนาะแล้วนั่งัเนอกพราะมันเป็นอะไรที่อธิบายาแต่ถ้าเรามีความรู้กว่าเราไม่มีพอที่จะฝมเา่คืออย่างนี้นะเราโชคดีนะเราเกิดในสมัยที่มี ผู้าอุบัติมาเกิดในสมัยยุคที่มีคําสอนของพระบรมศาสดาและก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติทำถือว่าเป็นผู้โชคดีมาลาสานนะอย่าไปคิดว่าเราเลือกทางนี้คำสั่งสอนของผูง้จ่าอยูอย่ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นท่านท่านบอกและผู้ใดเห็นทำผู้นั้นนทำทนั่นคือตรงนั้น เกิดในสมัยพุธกาลคือเมื่อไหร่เรามีความสามารถที่เราไปอยากได้เราจะรู้สมนดีเเลแตถ่ายมานี่มันไม่ได้เลื่อเนาะนะเข็ดไหมหลับจำไหมชีวิตอย่างนี้นะเจอหน้ากี่ของเจ้าพ่อร่ายรุ่งเรืองนักตาลไหลโอเคนะะชีวิตอย่างนี้ไเหรอกเห็นก็ เขาเป็นเรื่องแปลกทำฟืนม่บ้านใกล้มนเสียผมดูแลอยู่สาสีปีเข็นรถเข็นนังนานั่งอาน้ำล้างต้นออย่สามสีหเโอ้ยแค่บรรลุในเรื่องนั้นะเข็นไหมชีวิตแบบนี้เอาไหมได้แล้วก็ไอ้ที่จะเดินการไกลไม่เอาจบไดจบถ้ามีความสามารถที่จะกระโดดจากกระโดนก็สอมายึติดองจรได้ ตามที่พระแม่ปูมาจารย์เป็นแต่นอกจากใครมีภารกิจใหญ่อธิฐานส่ง ท, ทุกธภูมิแล้วก็เป็นหน้าที่ได้รับการพยากรจากพรองค์ศาสด า, าแล้วก็อันนั้นก็อมรรณาไปนอะแตสิ่ไม่ตอนอย่านั้นกติมันดีกังนมั น, นไม่รู้เนี่ยติดมันไม่ยอม เออจริงโก้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่กันอะไรสบายเอาละอยู่กันลมหาใจกคือบางคนในหมาพออะไรที่ไม่สวยที่ไม่ยอมเลยอะไรอสวยหรป่ามันทันิสัยเดนแต่ว่าเวลาเข้าฝ้าวโมงสัปดาห์ระดามหาตังฑาขึ้นพัฒน์ตาพรด้วยระัิสัยดน ขอดกกกก่อนื time. ่องทอด่อเนื่องเแล้วก็ไม่สึไม่ลด้ั้นาคือเรื่องอะือมร่วมคามด้วยจริงยทำไมต้าแต่ขอให้ปฏิบัติเลยฮะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันจะเห็นนะเห็นนี้ก็ไอไอวันเปิดเปิดลงร้อยวันกูเหูนว่ามันก็มีก่อนจริงเ นั่งรายชกกันนะเวนี้เป็นยังไงนั่งดูว่าชันใจแต่แอ้อ น, น่เห็นแล้วก็อ้อต่างอะไรมาเห็นของจริงแล้วก็ขอให้ดูบ่อยๆคือในสมัยรา ก, การท่านมีพร้อมให้เราในการฟังแลนบรรลุในขณะจะเราเนี่ยเราอม่นไม่พร้อมวันนั้นขอให้เชียนพยายาม แล้วก็ใช้อะไรที่เออเที่ยวสิ่งเที่ยวร้องเที่ยวมันกอทําเลยเมื่อทำเนี่ยแล้วหมนเกินแน่อนมีอะไรการพยังตูเองไหะคือจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยที่อยู่มันมีอาการอ่ะแต่พทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราฝึกพิจารณา้รับเป็นบ่อยเราจะเห็นว่าว่ามันไม่ใช่า หึงเวลามันเจ็บอกให้มันฟันมันก็ไม่ฟังตาเนี่ยบอกอะไนี่อย่าเจ็บอยโตให้มันสวยค้างอยู่นี่ไปตลอดนะสั่ง้มมถ้ามันไม่ฟัเนี่ยให้พิจารณาอ่ตาร่างกายัเปลี่ยนกาท่านเรยๆเปลี่ยนวันเราเรื่ยนี่อาตตาแสดงอกันนั้นเห็นหน้าข้าไปดูที่เปิดรองร้ันชัดจตาเี่ย จากใ้ตัวอัตราของสังขารนั้นมันค่อยๆแข็งจากนั้นไดออกไปเรื่ยๆเรื่อยๆตัวมานะตัวมนต้องมันเป็นเรื่องลอียดแล้วมันอยู่ในขั้นสูงนะอจฉริยะั้ดขั้นัสอด้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยของทึกอะไรเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขาดหลักมัค่อยๆถอนนอกจากพวกช่วงีอินซีบารมีแข็งอันเนี่ยถอนที่เร็วจัแต่นี้เราเมันจะร้ยากร้องไปนส ไม่งั้นผมไม่ไาแม่งดิบเหมนเนี่ยนะฟังก็ไม่ยอมฟังนี่นี่มิสามองฟังนมครับผู้มีภาริตใหญ่อย่างูนะครับถ้าเกิว่าันนึงคิดว่าตัวเองเหนื่อยกจะอย่างนี้คืออย่างนี้นะผู้มีภารกิตใหญ่เ ถ้าไม่ได้รับพุทธวิยาก่อนมีสิทธิ์ที่จะถอนได้แต่ถ้าเธอได้รับพุทธวิยากรอนแล้วระโทหมดสิ้แล้วหน้าที่ของโทนิสัตเนี่ยเหนื่อยยากแบกทุกข์คุณื่นไะป้นหลังนะจะลงนรกไปก็จะช่วยคนที่ลงนละนันนะ่นคือโ ท, ทน่สัตจะมาทัา้งในอดีตก่อนอเคยคิดปะตายแล้วท่านจะกลับมาเกิดใหม่มานะช่วยช่วย ตอางนสุดท้ายเนี่อโอ้อลัคตาหลไหลเที่ยวหลเที่ยหลยเทียยเท่ยวไม่เอาน่ะไม่เอานะแล้วก็โชคดียังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะกันกับ แ, แต่ชีวิตที่มีขอถาวายพระศาสนาขอทำสาระทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและตัวเองสุดสมบูรนี่นคือความสัญอะไรอีหมีใช ของเ่าอยู่อนาปาพุทโธเรา อ, องฟุง้งซ่านมากพดทโธเร็วๆพุทโธ เ, เนี่ยพุทโธจะทเหมือนสัพุทโธเร็วๆเนี่ยมันการงมันก็จะส่วนมัน่มันไม่ไปพุทโธเร็วๆโเร็วปรากฏว่าอพอเราคิดอยู่อย่างเียวพุทโธมันเกิดพระโพสาตนท่านเป็นสุดยอดสีนเนี่ยมันเกิดชอ็อกเพิหยุดยยมแล้วก็หยุดพุทโธแล้วก็จิตมันเป็นปัญญา แต่ถ้าคิดแล้วเธอมันก็ไปลรอดจักรวาลไม่ยแล้วเธอเป็นต้งสั้นแต่ถ้ามา่อไหร่คิดอัเดียวจากที่หลงดูลย์งหคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ไม่คิดไม่รู้นะคือคิดแ่ชาแต่ถ้าคิดทั้งเดียวเขาคิดทั้งเดียวปั๊บมันจะเกิดหนังยามันจบจากมันจัจนไปชมมันเกิดปฏิยานี้ผมพูดเองนะมันมืนกัเป็นการชกจิตวิาร่วมฤทธิ์ย ได้ขอให้ทดสอบเมื่อไหร่ผ่านกระบวนการหรือเปล่อ้อมนิดนึงนะพอออกมามีกำลังตั้งใจอย่างเมนูนั่นนะโอ้สุดเกินที่ไม่เขาอยากจะออกนะแต่นี้ก็ค่อยๆแก้เป็นสีนิดนึงนะอย่ังถ้าเกิดอยากจะลองทำสมถานเนี่ยต้องพิจารณาสีรสมถาน4ี่สิ คือจริงๆทุกวันที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในข้อกรรมฐานสี่สิอยู่แล้วเคยจะทำเรื่องอะไรนะแต่ีนี้เพียแต่ว่ามันถูกประจริกอย่างนถ้าถูกประจริบพาพเดียวก็กล้าได้เรียนกาแต่นี่ครูอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่ากรรมฐานสี่สิบข้อเน่เป็นน้องอนาปาน์สอดรบในใจนียอันตรายน้อยที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วอนาปานสติเนี่ยเป็นทั้งสมถาและที่ปัชนาอยู่ในเดียวกันสระษะอนาปานสติสมาธิภาวน เป็นตั้งศานาแล้วเป็นาสนาเห็นอาณาปาก็ควรจะเริ่มของใช้ก่อนคือทีนี้ก่อนจะไปอานาปาเนี่ยบางทีมันยิ่งยากพุโทโธมันกับไปใช้พุโทโธมันกับเพรเดี๋ยวปั๊บเนี่ยมันจะหยุดแหงส น, นมันมันจะอยู่กับลมหายใจต่อ น่้ขี้ผายใจนานมากสีก่วิทยาถุไ ด, ด้ไปทมามิชลาตัวเรค่คืนนี้แกจะหิบไว้อย่ ง, งน้องแท้เข้าไปโสดงเียเราก็น้องแท้ตลอดพยายามจะสะกดอารมณงไม่ให้น้องเพราะว่าพระอาจากก์ท่านกำลัสวยผู้ที่ไปด้วยกันก็กจะหิว่าหนูหน้องหูก คืออย่างนี้นะคือบางครั้งเนี่ยมันลงไปอย่างลึกล้กับนันเป็นคำตอบที่อธิบายไม่ได้แต่นี่บังถเวลาปั๊บจาไม่อยากเลยมันเหมือนกับในตรงที่กูกับมาบ้านนะคิดถึงมาเินแล้วก็มันสุดๆไปเต็มที่แล้ที่เจอุรอาจารย์ก็เกิดปริญญาตรงนี้ตาปั้นรั้วโอ้ยนึกถึงมเจอนะึกแตว่า เมื่อเป joue, ็นอย่างนี้ปั๊กอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอเรื่องไรงนีที่เราเข้าไปสัมปนเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยเรื่องปิบันาเคยไปยืนอยู่อินเดียนียไนยืนื่ไม่ได้มไมกไปแล้ว hey, ก um, <ok> ็รเสร็จแล้วก็พบชาติที่วุ่นวายเวียนวนแท้กมจะเหมือนาีรื่องไม่จบจำกสุด ก็พยายามปฏิบัติเห็นว่าพอรู้รู้ได้ก็เรียนปฏิบัตินะเห็น ว, ว่าไอ้ที่เราเข้าไปยู่เนะมื่อก่อนเนี่ยพอ่อเราแม่เราตูบาอาจารย์เราที่เรารับสึกษาเคยเอยู่นะนะเคยร่วมแต่ร่วมใ จ, ร, ร, มจ ร, ร่วมทุกอย่างนะที่เป็นดูแลแตว่าไอคาาไา้ความผูกพันบางรายกนมือใจก็อยาร นอกจากปฏิัเร่เเอคืออย่างนี้เวลาเราปฏิบัติรับในส่วนที่เราแตมตตาพส่วนส่วนทุกคนมโนธรรมนะเพราะนั้นวันนี้มาเนี่ยถึงชุมนุมในวาระแล้วก็แเมิตตาให้ให้ใหนะนั่นคือเป็นนะีแล้วก็ในแสดงถึงคว า, ามเมตตาความอาทรของเราด้วยนะว่าควรจะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะ 这边来这边来他有กม่งกึ่งมั้งไม่ใช่เหรอที่สองครับด้านหลังเอาว่าไงด้านไหนเขาเป็นการละล้าหรือเปล่าเอาเอาเอาเอาเป็น vocal ไปเลยจะได้ดังนิดหนึ่งตรงนี้ก็ได้ไหมใกล้ๆวันวันนี้ไม่มีคำว่าละล้าละลวงนะ ลุยได้เลยวันนี้วันเกิดพี่สด้วยครับวันนี้วันเกิดนะด้วยน <c oughs> ะสุขสัขสขในต์วันเกิดว่าให้มีความสุขตาชิดใจแล้วก็การทำเป็นเรื่องที่พันาขอให้การตั้งใจในการปฏิบัติสลที่สัยถามคือที่บอดาราเปันวนันที่ ไม่ได้เคยได้ยินกิกวัของอาจารย์หมอมาก่อนนะคะแล้วก็แต่ที่เราฟังอาจารย์พูดเสียอาจารย์เปลี่ยนไปและวนะคะคือถ้าปฏิบททัติให้มากเราจะลิ้งกับพันธนาในจัรรวาลได้โดยสลว์นะัตนับจริงแล้วว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่พิสดารอะไรมาแต่อยางน้อยที่สุดเป็นเรื่องสอนหมาว่าเออเราต้องทำนับ ต้อปฏิบัติให้มากนะทีนี้ว่าใ้ระบบที่เห็นเนี่ยไม่ใข้างกรมธรรมนี่ข้าสงฆ์ม่เราะเวลาปฏิบัติมันเป็นเบสิคในสิ่ญญาเกิดขึ้นแล้วหลัง้นการเป็น้เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพราะตำดาไม่เคยแบบวันนี้นะนี่วันนี้จัส่งงันแล้วก็ ตามดามไม่ก็จะเกิดปูอย่างเงี้ยที่แต่ว่าเา็าต้องไปตามหาด mm hmm. ูวันนี้ก็เลยบอกว่าเจ้ายอดนะโ okay, อเคเข้ามา mm hmm. แล้วก็คงถึงเวลานะมีไม่ได้ละพออยู่บ้านก็ปิดบ้านหนึ่งเนะวลาลูกศิษย์จะไปหาก็ไปวันที่จิตแพทย์ได้อยู่นะมาดีรอนรักษาแล้วลศิษย์ท่านอาจารย์เอาลูกศรออกทอดทำอะไรที่สกังนนะตกเล่นคาแรคเตอร์นะี่มันไม่ใช่อ น, อนักเล่นมันโี เหลนซักเปล่นฟ้าเปลนซักเ ป, กเปกกลี่าราถามมารู้ตัวไหมรู้ตัวมนะันก็ดูขึืนขำงนานถ้าไม่รู้ตัวนะั่นคือไอ้ระบบข้าอสอง่งนะแต่นี่ว่าอพอเรามาปฏิบัตินเรื่อยๆันทำให้ศรัทธาบันเชื่อนเมื่อก่อนไม่เชื่อ่อานา น, นะแตระพุทธอหลวงพ่อที่สอนองนี้นนท่านพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนน้องหน้าตาคนหนึง่งต่อไปผมว่าจะเป็นวินาศ และคนที่ฟังเราเป็นหมออย่างนี้แล้วเพี้ยได้เหรอนับอกป่ะดังระเบิดแต่ว่แล้วก็บรรพบุตเนี่ยคือศึกษาวิชาเป็นในคำพู์โบราณนะครับเราเข้าไม่ถูกนะเราทำยึดเป็นยังไงการไหวครูแบบโบราณก็คือการแสดงความเคารพต่อพลศรนัยต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์เทพเทวาทั้งหลายที่อยู่ในสมาธิปิ ตอนนี้พอวันนั้นไวตอ้นบ้านอยู่ว้างหงพอเสร็จเนี่ยรถเมย์ที่วิ่งวิ่งมันวิ่งไม่ได้มันจอดตรงมันเป็นอะไรมันต้องลงมาไหวด้วยนี่มันไม่ใช่ต่รถเม์รถงรถเก๋งมันเป็นตับเปนติเป็นมิลโลลงมาไหวร่องก็เป็นเรื่องเราได้ศึกษาันนั้นบอกอุปทานมันนั้นบอกห้อุปทาน นะน ะ, นะลลแล้วเสร็จมาเลยรือเปปฏิบัติได้แล้วก็ในในคาตอบที่มันออาคือามวันจะเป็น่อพูดก่อนไม่จบก่อนไหมครับไม่หมดญญไหมรามวันสงสัยใช่ไมลูเออขอให้ปิบัไปแล้วเราเมตตาใครเมื่อถึงระดับทำได้เหมือนกันเรียกว่า กเป็นสรรขารเป็นประโยชน์ไม่ได้เพื่ออาบิสนะเพื่อเป็นผู้สูงกรณีเราตรงไหนเป็นอาบิสหลีกทางไปยังน้อยมีเพือธรรมทานเพื่อเป็นผู้สูงเพื่อเป็นบุร หาหาคือหารธรการที่เราอยู่กับอะไรหนึ่งประจำในวันวันนั้นค่อยวิหาม่นี่เราใช่อะไรเป็นวิหาร บางครั้งที่เราพัฒนาการภาวนาได้ขึ้นไปสูงในองค์ฌานนี่ชาะเป็นิหาธรรมแต่ีบางคนก็ายังไม่พัฒานะอยู่ก็ฟุ้ทริทก็เป็นวิหาธรรมมันไม่ออกไปนมันเปแตว่าท่านของวิหารธรรมจะพัฒนาจนกระทั่งอยู่กับฟังไม่มีอะไรเลยเป็นวิหารนัคือ้นสุดนะจาเดเสียงเวลเอง มเป็นัเจอสบคนในสิบชื่อชื่อเป็นของสมจำเอาไว้แต่ไม่ไช้คนรู้จักกันรู้จักกันมานานนะชื่อเป็นของสมบูรเพราะฉะนั้นแม้จะติกจะชื่ณศาสนาสอนการปฏิบัตเพื่อการรักการวางเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจ เอาทุกอย่างเป็นครูสอนในการปฏิบัติได้เลื่องปฏิบัติไปถึงที่สุดแห่งทุกนั่นตั้งใจไว้เต็มหัวใจนล้ทำใหเต็มนั่นคืออย่างนี้อะไรนะพูดโทรเวลาหายใจเข้าช้าๆแล้วก็ตุก ก็ปนค่ามอารมณให้ช่พอมันเริ่มนิ่งไปเรื่อยๆเกี่ยวแรงลพุ่งบางทีมันไม่นิ่งนึ่งสอจโทหรือสามสี่หข้ามไมันจะก็อู่ต่อไปวพุ่งหนึ่งสองสาีกจ็้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาผมนิ่งเองอะไเองหยุดถ้าจิตรวม พุโทโธมนไม่ออกนอยู่ทำ ง, งานอยู่กับว่างอย่างเดี้วเป็นสม า, าที่เราเห็นว่าวันนี้เราได้เห็นการแยกของกายกับจิตเป็นปฐุมอยู่ในความว่างเป็นแล้วนะเป็นธรรมอันแรกที่เราจะเริ่มเข้าไปหลังจากนั้นจเจริญสติที่มานะถ้าไม่มีพื้นฐานตรงนี้เมื่อเราตามดูตามรู้เนี่ยมันไม่ชัดเจน ไม่มีกาลังกวางไม่ได้แต่ถ้ามีกาลังเห็นพะมันเข้าใจมันรึกซึ้ง แ, แสดงไตรลักษณ์ในดูเกิดการปล่อยวางสลัดขื่อกระบวนการของพินายานเดินในดวงเป็นงปองคี่ยงมีพิพินายานเดินเกิดมีพัพินายานลงในยังยังเห็นเห็นความจริงสลัดขื่อปล่อยวาจริง กลายจากนะัาวะนะอะไ้ตรง น, นั้นมันไม่จิตเป็ น, นรเรื่องของความิดความิ้นม่บริสิทอิ์เลีวะความจะที่ตั้งใจล้วก็ตัเงเราตั้งมานานแล้วแล้วก็จะต้องทำต่อนะ เราทำเท้าไหวเอาเป็โลแกนส่นนอยู่ในัใจของเจ้าทำเสร็จมีอะไรไหม อันนี้รัแต่ว่ายอดเจ้าค่ะคือมันเป็นเรื่องพิเศษอีกอันนึงเพาว่าเ้อความที่ไม่เชื่อแล้วกเกิดไปท้าทักนแล้วเสร็จแล้วก็เลยก็คงจะเป็นเรื่องบัเงเกินที่คงจะต้องริ่ง่นะผู้ไปอยู่นะม เ, เมีเหให้เราเราเรียนแพทเชื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ก็เลยไปทาแล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็แสดงอะไรให้ด จะต้องปินาะเป็นหมอสร้างนิ้วอนแ้่ ศึกษาด้วย่อนเชื่อขอให้ศึกษาด้วยันปฏิบัติลงปฏิบัติพูดให้เต็มที่ซะแล้ววันหนึ่งนนูิ่้ก็ใช้คิดอิสลามมาจะพูดทั้งหมดนะคำสอนทั้งแต่เพียว่าการเวลาสมัยเปลี่ยนเปลี่ยนคำสอคำสอนที่แ้จริงไม่ใช่หรื ทนี้ว่าคำตอบเราเป็นคนของพระเจา้าพระเจา้าเลเรามาถ้าเรามองกลับไปนั่นคือให้เราศึกษาเลยตัวนี้มันไม่ใช่เราติดเทียงนานยังไงไม่ใช่เรานั่นคือหลักของใจหลักเป็นแหงกตลอดเวลาในเทียง อยู่อย่างนี้เป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงเวลาคืนพระเจ้าไปคืนปล่อยวางแล้ก็มีการคืนการปล่อยวางก็คือการประหยัดในทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสูงสุดนะปล่อยวางแมกระทั่งพระเจาก็เป็นเรื่องธรรมดาพระเจ า, ากป็นประยูงพระเจ้ากัวางคืนไม่องไปยังไงตัววางคืนน้ำก็จบแล้ววันนั้น ลุกหิงจะรอใจนะยซูก็เป็นโพลิศัจจาเป็นมหาโพลิสัจจามัรอก็เป็นมหาโพลิสัจจาแต่เมื่อไรเราจะมีความรู้ถึงตัวนั้นนะอย่างที่คำสอนม า, านนบอกให้ถูกปิเือนทำไมเราเห็นความไม่นานละเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอันเดียวที่เราเห็คนคืชัดแจ้ง เรต้องซาสดาที่มีอยู่เห็นอยู่ังไมไ่ถูกปว เ, เราได้ไิบันทามเรียรู้รู้แจงอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นอิสระไม่ได้มีอ น, นกับใครเป็นเรื่องดีเราเป็นเอกราไม่ต้องเป็นคนของพราคืน่นะ จะ เ, เ, เรียนับธรรมชาติของประจามุมาจากไหนแทนคนนั้ น, ะ จ, าา น, นจะเป็นอินดูเป็นอะไรบรตางร่างงานที่เกิดจากงารสมุติมหาศาลก็ขังอยู่ในจักรวาลเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนวณแม่ตำแหน่งแตรละอันของชี่ว่านะจะเรียรายก็เป็นตำแหน่งสัตว์เตี้ย ถึงเวลาแลวพอดำเนินเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ศึกษาแล้วอันไหนเป็นการศึกษาเพื่อตัวเราเองศึกษานั่นไปแล้วเมื่อไรมันกระจายรูกหิงแล้วว่าใจทั้งหมดมันอ่านหนังสือเล่นเดียวกัน ยังเรื่องไม่ถึงว่าวันนี้จะมีรายการถึงก้อนดายังเก็บสวิต่ย่นีเก็บมือเก็บมือคสองคันีั่งกันใจรู้อมันมีเหตุนะคะที่บ้านเกิดนนะคะ การตั้งารเปนมรรคชุคนเออบอกแล้วไงรู้จักกันมานานก็จะเรนรู้จักพบคุณที่ผ่านมาออย่างนี้แล้วก็แก้ไปเรยนะก็นะถึงเวล า, ล 4, าเราคุ้มครอไม่มีผลนเห็ น, น, นหน้ า, นามาัน้ำตาไหลแต่ทีนี้มันมนมีเหตุที่ทำให้หนูต อ, อมันไม่ศรัทธาลูกที่ ท, ทำร้ายอะค่ะอันนี้เป็นรมของหนูคะปล่อยวางด้วย ใช่ไหม <S <S ใครไม่ทำเรามไม่ยอมทำเราไม่ได้ทาถ้าเราทำเราจะทาดีตรงนี้ <S 1> <S 1> <S อบอกแล้วนะไงในเราทำบุญกรรมตามสมุติมนะุดทำงานในวิมุตย์จะมีมีแต่เดี๋เราตอนนี้สมุมดบันาลิบุงแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้รัาโลกนี้ถ้าไม่มีสมุดแห่ใชเราทําอะไรไม่ได้ คือถ้าติดกับแป่ไปดังตัวเห็นไม่โดนสไตล์นี่พ่อปลอดหนึ่งคำสาปคือตอนเนี้ยุคนี้ด้วยความที่เราต้องเลี้ยงลูกด้วยต้องที่ทําแบบทุกวันนี้ถูกต้องแล้วไงคือจริงจริงนันคือไอ้ความเรารับผิดชอบเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เราไมต้องทําแต่ถ้าเมื่อไรวันไหนเนี่ยเขาพินเองได้เนี่นั่นเราเป็นหน่งที่เราทำ แต่ตอนนี้เนี่ยการฝึกเนี่ยถ้าเป็นเชิญสมถะเนี่ยนะเราจะมีพลังจิตในการที่จ ะ, จะไปช่วยไปทำไปประกอบสมชาชีพในการแก้ปัญหาเพื่ทำตัวสมถะให้มดไวครับผมแล้วก็ตัวในปสัสนาก็คือใช้พิจารณาาใช้อะไรต่ในในเดทันควรแต่กำลังนะโสดาส ก, กิตาเนี่ยอยู่บ้านนะนะราคาบางทียอยู่บ้านนะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา เีนจะขอถามทั้งโลกครับแต่ออตอนนี้คนไม่ไม่คือคนไม่ศรัทธาระบบกษัตริย์กันมากขึ้นแล้ว <c oughs> เราต้องตอบลูกอ่ะบางทีเราต้องข อ, องคนอื่นเจอคนอื่อออนด้วยว่ า, ว า, าถ้าเป็นช่วงก่อนที่เราเรียนประวัติศาสตร์ ปรากฏว่าไอ้ความสำนึจในความหานมมแนีต่นี้ปรากฏว่าด้วยความชงของนักการเมืองยุคใหม่แล้วก็ผมมู้ที่ไปสมพันธไปลูกประัาสต์ท้่บอกผู้ศรัาไม่เรียนมันไม่ได้ฝังในความในว้ใเนเดเสมัยยุคบุคค เ, อเยนะนขนศจะลับบ้านในส้อ น, นะแล้วก็มีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนันพระยู่เรียนด้วยไปกินข้าววัดกันนะ มันชีวิตซึ่มมมง ม, มันมันก็ติดตรงนี้มาขนาดข้าเวลามองพอมีพุทธเนี่ยแต่สวดมนต์มันคลายนะจง้วเมันการมันมันหไปแต่ตอนนี้ปั๊บเนี่ยสังเกตนะความเปลี่ยนใหม่หความจะต อ, อคำถามด้วยนะมันเป็นคำถามซึ่งมันสร้า ง, รางาตราตัว่ตรงนั้นเลยนะแต่นี่ว่าทำไงเราจะพุดไอ้ความรู้ทา ง, ทางพุทธศาสนาจริงๆพุทานาเป็นการสอนตัวเองเป็นคำส อ, ส อ, อ, น, อ น, นพื่สอนแคแก้งตัวอนนี้ถ้าก็เข้าใจ่างนี้ปั๊บเนี่ยจะรู้ว่าตอนนี้คนจะเข้าไป นี่เป็นปัญหาของเรารูอเปล่านี่ใช่ไหมมันยังมีข้อปัญหาอีกเขาจะศึกษาทั้งหมดตั้งแตระบบการเงินไปศึกษานีมันมีทุกอย่างมีดีมีเสียให้เขาศึกษาให้เข้าใจไอ้ตรงนี้เสียกับตรงนี้เคยมีไหมโดยจะให้แก้แต่งทุกอย่างโปรเฟสตไม่มีในโลกนะนอกจากในทางทรรมที่เป็นถ้าทางโลกไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของหลักที่เราจะให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ อาวันไหนเราจะพาเข้าไปได้ไห น, นะรัสินทำประกอนการเรียนเนี่ยทีต้องมีสอนพุทธศาสนาห้ือศาสนาทุกอันสอนหมดพิษก็สอนอิสละก็สอนทุกกระสอนไม่มีนาทีคนเมื่อไม่มีประวัติศารไม่มีการเรียนแบบแต่นีเราโชคดีนียสงเกตว่าคนที่จะมาเดีนที่มาเนปปงต้องเรียนมียาทเนี่ยีเยอะเลยอย่น ในเวลาที่มีลอสไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแต่ของเราเนี่ยถ้าเราทาตัวให้เป็นสาหลักให้ดูอย่างก็อย่างน้อยเด็กก็ได้เห็นนะว่าเรายังมีด้านถึงเราแก้ปัญหาเราก็ไม่ไแก้ฝังอะไรที่อย่างสมัยก่อน่พาลูกเข้าวัดทุกวันตอนนี้ก็ไม่เอานาก็ดี้อาแมงเอาไม่เอาเพราเข้าคนเยะ ถึงเวลาี่ไปช่างไปนี่ช่างไม่สำคัก็คือเมื่อก่อนที่พาพาทุกคนพาลูกๆนั่นสมาิทุกคนทั้ล็ส่วนการตั้งจาันนี้เมื่อก่อนมีมีช่วงหนึ่งหนูศึกาเพิเติมตอนวันนี้หนูไม่นั่งเนนะเดินเข้าห้องเรียนเพื่อนมาน่าหลุดจะน้าห้องเลยไปไปไปเดินเข้ามาก็เห็นเพื่อนเลคือจริงๆว่าเขาไม่เป็นมวยถ้าเป็นมวยดกับน้องเพมันนความรู้จเกิดมาสะ เป็นนี่อวาบอกว่าถึงเวลาก็คงทำไปแล้วแล้วก็เป็นหรืออย่างราฝึกเนี่ยให้มองนี่มันน่าอลุดเนี่ยแต่เที่ยว่ามันจะเป็นอันนั้นเวลาเข้าห้องเรียนเพื่อนตุนตๆนตุน้งห้องเลยกลัวไม่กล้าทำนแล้วเมื่อไรมีกาลังพอได้ว่ากันเลยอย่างจิตแพทเรา็พุทธโธรสามคำตอนี้ไม่ทาแล้วผูกขังออกมาไม่ได้สามคำจิตข้าแย่ไอเราท่องเป็นปีมันไม่เคลียนะ าบอกถูกขังดิ่งทับตายเลยหายใจก็ไม่หายใจบอกนี่ไม่เคยบช่ไหมหมอปฏิภาณพุ่นโทรสำคัญบอกพ่อหนูไม่ทำนะหนถูกขังออกมาไม่ได้ก็่าจะออกมาได้หน่วทับตายวิ่งสู้ความจริงมีหน้าที่นั่งคืนจะให้แพทย์การนะแต่ผมจะการลงไปผสมคนนั้นคนไข้คิดอะไอยู่ไม่ยูนดีหมอพักเกียรตว่าถ้าตรงนั้นถ้าตั้งหลักว่มันจะกสาวงอ อต่ น, นี้ก็เลยเป็นข้อตกลงกันหนูไม่ต้องฝืนเหมือนพ่อหนูก็รู้นะไอของต่างว่าพวกเยอะพวกนี้พว ก, พว ก, พวกดนูนเยอะถ้าตางตางจะเกิดคุณแม่ก็ไปขอเ้าจะเอาศพมาขอลูกสาวเขาเอาศพมาออเอาเื่ในหน้าตามาเป็นแขกที่เป็นะีรแล้วก็พูดอะไรบางทีแล้วก็พูดอะไรไปลก กูดมาทำที่สุดก็ไม่ได้ากมารทำงานนี้จริงไหมเนี่ยแล้วก็ยังมาเชื่อมงาสา้นพือะปัจ<ม>จุบันตัวแล้ววันนี้พอได้ไอเดียกันนะทุกคนครับไม่สเียไม่สเียวเดอยู่ไม่เลยไม่เป็นไร อันอะไรก็ได้เลยเอาอะไรหนูขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะคือพระดี๋ยวว่อมีผู้ใหญ่ท่านนึงที่เรารู้สึกเคารพรักท่านมาหลายทีที่แบบนั้นแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของท่านแล้วก็โดยเฉพาะคำพูดที่จริงเนี่ยค่ะอการโกหกของท่านซึ่ง ซึ่งท่านพูดโดยที่เหมือนว่าท่านไม่รู้สึกอะไรเลยท่านพี่ว่าเหมือนู่เหมือนท่านเป็นคนเคร่งศาสนาเลยนะคะทีเนี้ยกมีความรู้สึกว่าสลดใจค่ะสลดใจแล้วสะลดใจแล้วก็รู้สึกว่าสงสารว่าเวลานเหลือน้อยแล้วเลยนะคะก็เลยครู้สึกมันก็ยังวนเวียนอยู่ว่าเอ๊คือคือจริงจริงรู้ไปเทาน้ำมนต์จากองคาวาจาได้ที่เราทานแต่ถไม่บอกจิ มีพา ง, งานลักติมันบ า, างทีจะตุดแบบมันทำอะไรเช่นเห็นอะไรก็รับได้แล้วถูกควรควรจะเตือนใ่ไหมคะคือเตือนไม่สั่งเตือนแต่เนี้นอกจากว่าแอบแต่แล้วมันสั่งออจากุบาลนปแล้ในช่วยแว่งนะทุกทุกคนกำลังยืนยันยช่วยผู้ย่างให้หน่อย อ, อธิกานอ เรจะสอบถามเพื่องทางโลกดิจวันไหนครับทางการแ cap ค, คือกรณีที่ต่างประเทศเนี่ยเจ a ซอของต่างประเทศเนี่ยได้รับได้ได้อนุมัติเทคโนโลยีทางการแ cap แล้วแต่ของไทยเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติเราจะเล่งงองค์กรในไทยยังไงบ้างครับเพราะว่ามันข้้นที่จะนานมากมัมีปัญหาโลกแต่ปัญหาโลกแตก เธอท่ามาไหเธอรู้จักเขาผู้ใหญ่มีงหนาจอะอะไรคนเักแล้วก็คนที่เห็นประโยน์แถมบาีบีว่าอาจา ม, มารประมาณ น, นี้นะ่องนี้มันเป็นหลแต่แตแตที่เธอคิดไว้อีกคงไม่นานนะขอบคุณครับไม่นา น, นะไม่นานผงผาการรักษาอยู่ตัวหนึ่งที่ต่างประเทศรปาาระมาณน้แต่อขอ ง, องไม่มีครับไม่นานน ของซ้ายอยู่เป็นประจำมาหลายปีแล้วค่ะไม่เห็นมีกาแก้แก้รจุดนี้ยังไงจริงๆเป็นเรื่องมาก น, นะแต่นว่าเวลาเธอไปงานส่งขอให้แต่งนิสานะข้าไปวัดแต่เนิสานเวลาคำรบ่งไม่ใช่หรือว่ามนโผลเป็นคำรบศงที่เห็นมกนอนอยู่ในหลงไปยืน ย, นยนมกมือว่านี่คือคำสอนของ กรมศาสนาทุกคนเกิดมาและต้องตายแม้รัจจาวาสังฆาราปารามาทำโยราชุสติเตสุวิสุขสุโคสกครั้งหลายไม่ที่น้องมีบังาาลาทาวาองในสมองับนสงารเป็นสุขิ่งสนราิตรสมิสเตสุข สัตว์ทั้งหลายต้องตายด้วยกันทงสิ้นที่มันจะตายที่ต้องตายต่อไปแม้ดวงดาก็ต้ อ, องตายอย่างนี้เชนกลา้าก็ทาคำสั่งุมศาสนาและพร้อมนั้นก็อุทิศส่วนสมให้เจ้าของสังฆาที่ได้แสดงธรรมยืนยันสัจธรรมองศาสนาใหา้อยู่ต่อไปเรื่อยะรแล้วอาการปวดข่าวเปนยวันนี้ม่ปว <นะ S 1> ดค่นะ ก็ตอไปนี่ไงเรื่องสำคัญอันนี้เป็นอะไรเลยนั้นเวลาเขาสมมติอยกกับระดดเดียคนนั้นอยู่ตรงนี้เมือนจัร่เรื่คุยอยู่ตลอด่ะท่านมาสอนทำเราวันนี้ว่าถือว่าเปอกาสที่เรามากัน จะอยู่ในภพไหนภูไหนก็ต้อา ม, มาผนะ่คนมีหน้าที่นำะบุรุมาเาเป็นหอพอรนะอไรอยเ้เออนำะอยู่ตรนี้ก็เบื่อจะได้สอน เ, อเราเป็นขอ้อเตือใจเมื่อไรที่สูดได้สัมผัสได้จะได้รู้ว่าโลกหลงความตายมนีอยู่มันด้ท้องเดิมเพราะฉะนั้นจะเด่นเล่งตั้งนาตั้งตา มีสุขดีเป็นที่ตั้งมีพุทธที่ทดีเป็นจิตหมแล้วพอมีความบรสุทธในชีวิตเป็นจุลไม้ไปทานันเป็นที่สุดเองโนะลกนะเป็นเรื่องสำคัญ น, <c oughs> นี่ไม่มีอะไรก็รับรองกันนะให้ผุ้คนที่มาตั้งใจ ความทำด้วความเจริญรุ่งเรืองในทักย์สินอันมหศรรมาศาลโดยเพราะยิง่งมารยาศ์มีความรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานมีชีวิตอันประเสริฐเจริญยิ่งในห ม, มู่เกาหลีศรได้บรรลุถึง น, มนามาตรธรรมในอนาคตตะขาดเันไก่ี้การทนหนาเพื่อคนเทิน อิติธรรมกัติธรรมดูมังคีพเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังคปะจันดูวันาราโซยัานิจดิราโซยัตตาสบิดิโอวิวาจันตุสัพพโลกุวินัตุมาเตหุบันธุรยสุขิติ迦โยโภวะอภิวานาสีสนิจัง พุทธะวัจจินโอจัตตารธรรมวัตต n t i ิอายุวันโอสุขังภลัง เรื่องที่เห็นถ้ายังพิสูจนปัิจจธรรมไม่ได้ห้ามเชื่อแต่อันไหนเป็นประโเอาไปติดเจื่อน ะ, ะทำใจประกอบในการดำนินชีวิตของตนจะเห็นว่ไม่เสียหายแต่เชื่อจะสัทธาต้องมีปัญญาโดยมีปัญญาคือการเชือ่อทำบุธศาสนาไม่อย่างนั้นเรา การงมงายนะสัจวิยะสติสมาธิปัญญาหมุนเป็นอินทรีย์เป็นพนะละเนื่องต่อกันให้รวมเด็กอยู่ในปะฏนะิบัตินะ บ, บูรณาญ์ดเวยนะตั้งใจไว้สูย่ยุงเรื่องนะี้ทำแบ